ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่ากล่ำทำกับหมาเมื่อเนีเป็นวันที่27มกราคมพุทธศักราช2558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 ในเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระสองฆ์องค์ใดที่ไปที่ตรวจอย่งกัตรวจสุขภาพตรวจอย่งกัหมอพึงกรยินดีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะไปเบิงอาค้ารที่หลวงพ่อสัางให้กับโรงพยาบาล น, นั่นแหะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เงินเฉพาะเงินสดเนี่ยประมาณสองล้าน สองล้านจักหมืน่นตนๆนี่แหละแต่โบนับกุปกรณ์รด้กระเบื้องอีกนะกระเบื้องนะท่านองค์ข้ามวนตรีผลถวายมากมอบมาให้หลวงพอ่อกระเบื้องเกรดเอขนาด40่สูนสี่สิบหกลอยหกลอยหาสิบกอง กระเบื้องปูห้องน้ำอีกขนาดส0มสบพุ้นสสบส่ลอย้สบกองร่วมเราเป็นหนึ่งพหนึ่ง้อยสองอันนั้นเข้าบ่นใ้นับบ่้นับขาเงิน น, นแต่เฉพาะเงินจะตุกปัจจัยที่ขณะของเสียต้มถวายมาประมาณสี0แสนของเสีย อ, อ๋อกับญาติพี่น้องเขาเพิ่นอีกส0 0แสน ร่วมเราใช้เงินไปประมาณสองล้านสองล้านบ่ถึงแสนเนาะสองล้านตน้ตนตน้นบอ ร, ร่วมบอ ร, ร่วมก็เือกอันนี้ก็คืออาค่ารผักญาติร่วมต้องหองน้ำห้องน้าจริงอีกสิบสองห้องชองฉ่ำหองน้ำใช้หกหองโถปัสสาวะอีกแล้วก็ห้องน้ำข้นพิการแล้วก็ห้องผัก ยาหญิงชายอีกอยุคนหลวงพอว่อวัปตํมกดลอยสองลอยคนได้เขาไปนอนมาแล้วก็มีหอ้หองมูลนิธิห้องมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายดูแลสงอาพาต์อีกอยู่ในติดกันนะและก็ห้องประชุมมูลนิธิอีกติดกันหัน เดี๋ยวนี่ชั้นเดียวกันเพราะว่าตึกหลังนี้เป็นตึกใหญ่เด้ที่หลวงพ่อสร้างตึกใหญ่ตึกสิบชั้นจอดรถประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดลอยขั้นผมเลยแล้วก็ทางไต่ล่างสุดเนี่ยหลวงพ่อก็เลยเหตให้เป็นทีผักหยาดของคนป่วยคนไข่ แต่คิดเป็นเงินออกมาแล้วก็คงจะประมาณสักสองล้าน ก, กว่าๆน่หลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อก็บ่ได้พิธีพิธนันจิปิดกี่ ป, ปีหลายมันบูมเปนพอขาว่า น, นิดมีแต่เข้าเทตแล้วก็ได้บุญได้กุศลเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอํานวยความสุขบําบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคน แต่กอนน่เนี่ยไปนอนไปนอนขางไปนอนฟุดบาดตุ บ, ตบหินตุบยุ่งอยู่ฮะเอจักรยุ่งว่าจักเหงียอเพอเผยังมีขีข่ขโมยเอมา ก, กระชากลากทูไอกระเป๋าหมุนหัวีอต่างหากเห้าก็เคยได้ยินวันนั้นเข้าเลยมาเห็ดบองเนี่ยที่ปลอดภัยมีตกาคายมีมุงลวดมีนามเริม เป็นห้องมีลอบปรพอ่อดูแลคุ้มค้องพี่น้องประชาชนบรรหนอกบนหน้าเข้าไปเฝ้าไข่เนี่ยหลวงพ่อก็คิดถึงท่านละแนี่ยละมืออื่นนี่ยละหลวงพอ่อชัดยังหันแล้วก็คือทีผ้าคณะแพทย์คณะหมอคณะกรรมการขมาเบิงแลยกับสีหมอบสีหมอบจังใดกันหมอกมหมอกเพราะตกหมอกเป็นพิธีสักน้อยหลวงพอ่อเออมือใดเขาจิ จัดี t มอบกันว่าโอ้เราจลงพอหรอสินนะลงพอก็จะมอบแบบง่ายๆไปเออเอามอบแลวเถอะพอกับวาสันแล้วก็แล้วท่านนะ่ะลงพอนี่ไนานานไน่ได้อยากในหนาในตายยังเนาะได้ยังหนาก็เมีแล้วตาก็เมีวแล้วเผลอๆหนาหนาลงพอโดยจ้าเบางทีหนาเ ย, ย้าขึ้นยงนังเนี่ยเ <c oughs> พราะน้ลงพอปฏิค ด, ดียังมอบให้กับ พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์ชน แ, ลแล้วก็แล้วอันหนี้ก็คืออันหนึง่งอันที่สองก็สวดมนต์ทำพิธีเพื่อทำบุญกับโรงพยาบาลเพื่อเปิดอาขา้าศัตรูแต่ฟังฟังเบิ่งแล้วกันหลวงพ่อก็พออยากเบ่าะระว่าเพิ่งว่าเพิ่งว่าพวกโรงพยาบาลไปเห็นผียิ่นั่นอ่ะมุมมุมามามีหองผ่าตัดมนันไปเขาเก่าเจ้าก็เลี่ยน ใ น, นมนทฑำบุญทำท่านอุทิศส่วนกุศลอันนี้เป็นประเพนี้อันหนึง่งแล้วก็อันที่สามก็คือจะได้ไปชุมคณะกรรมการมูลนิธิของหลวงพอ่อหลวงพ่อตั้งมูลนิธินะ่กดุลลานนะผู้ใดอยากจะทำบุญกับพระสงฆ์มูลนิธิพระอาจารย์อินถวายทันสุตโกดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาล อุรานธานีเดี๋ยวนี้ก็เดยจะตุปัจจัยเพื่อจะดูแลพระสงฆ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยค่ า, าหงอาหารขาอ้อย่างเพอเพอเกิดขาดทรงศพหมดละแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ได้สื่อลดแอมบมเลนทั้งทหารอากาศทันผู้การบุญบุญสืบนะกับคณะเพื่นหมอบจะตุปัใจจัยให้หลวงพ่อก็ได้สื่อหมอบ รถโรงพยาบาลเป็นมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายนี่ยขกยขับโรงพยาบาลสูญราคาล้านเก่าเพร่อได้ล่ะลดคันเนี่ยล ด, ลดตโตโยต้าขกยขับรโรงพยาบาลเหมาะไปแล้วเหมือนต้นเดือนมกรานเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพวกกลุ่มของเฮาคณะของเฮาคณะศรัทธาญาดย่ม ของเห่าเพื่อดูแลระส่งอาพาธในพระพุทธศาสนาบริว่าพระมหาในกายบริว่าพระธรรมยุทธบริว่าพระบานพระปา่าบริวาา่าพระเมืองเล่าเมืองเขมรพระจีนพระเวียดนามบริว่ากันผวดได้เจ็บไข่ได้ป่วยคือมะเออเอา้ามูนิธิของเห่าจะคอยบังเดี๋ยวนี้มันก็นยังหน่อยอยู่ขันว่าพีน่พ น, น่องพระชาชุนสัตท่าญาิโงม ถวายขามาปลุงพอ่อจะมีคณะกรรมการทั้งหมดมี1ิหาคนหมนดเลยไฟพระทั้งไฟทั้งหมอทั้งพยาบาลโมเมนต์ของหลวงพอ่อองค์เดียวบริหารมเมนจะตัปัจจัยขามากเขามาในมุ่นนิธิเหมือนมุ่นนิธิเช็นแล้วกันคณะกรรมการก็จะเด็ดูแล ว, ว่าที่ใส่ใจจังไรพระเน้นเจ็บไข้ได้ป่วยจังไรคุ้มค้องตลอดแม่ชีด้วยนะ มูลนิธิของหลวง พ, องพอว่อเงี่วพ่อเป็นนักพรตนักบวชบวมเอนแต่คุ้มคล้องแต่พระให้คุ้มคล้องทั้งชี้ด้วยชี้เนี่ยก็เสียสละออกมาจากบานจากเหอนมาอยู่เป็นนักพรตนักบวชจะได้พึ่งผ้าอาศัยพีน่นองคือเก้าคูโบได้บางที่มาบวช น, นันน่นพี่นพนองตรมหายตายจากไปหมดละมีแต่ไม่ชี้เถ่าให้จังไดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไมียุกไม่ยาดูแล หลวงพ่อก็ให้คุ้มครองชี้ด้วยหลวงพ่อก็คิดไก่ยังได้และอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อสําหรับหลวงพ่อเองนุ๊หลวงพ่อเนี่ยตัง้งจิตอธิษฐานเลยสาธุเนอะผู้ขาได้ซอยโรงพยาบาลได้ซอยพี่น้องลูกหลานทุกมูมทุกเราบา่ว่าพระบ่าว่านักวบวชบ่าว่าพี่น้องประชาชนอยาให้ผู้ขาได้เข่าโรคพยาบาลเนอะถึงข้าวมากก็ให้ตายไว้ไว้ไวรถมาแล้วแล้วไป อย่งไหนผู้ข่าก็ที่ตายแ ล, ะละ่วล่ะเกิดมาตายสิ่งไหนที่เป็นคุณง่ามความดีผู้ข่าก็ที่ําำจรงนั้นไหนดีที่สุดคิดดีที่สุดถ้ำดีที่สุดให้กับประเทศชาติบ้านเมื่อต่อพระพุทธศาสนาต่อพี่นอกประชาชนทุกมุกทุกเหล่านะหลวงพ่อก็คิดแด่เท่านั้นล่ะนะ <c oughs> ลูกหลานเลยมืออื่นหลวงพ่อจะได้ไปชั้นทางนอกนะ เมื่อเนี่เป็นวันที่ยีสเจ็ดมกราห้า8ดเมื่อวานในหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับสามวันนั น, นะหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับท่านพระสารีบุตรเถระอ克拉สาวกของพระพุทธทเจ้าน่ะเมื่อวานก็หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับองค์ท่านมาฉันจังหันกะพระ ลูกน้องบริวารห้าร้อยถูกโยมมันดาของท่านตอว่าอตมไม่จริงก็โยมมันดาของท่านะก็จะทำยังไงได้เหมือนกับแม่ของพวกเรานะี่ลูกหาเงินมาให้พวกลูกๆตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านแปดสิบโกดลูกก็มีตั้งเจ็ดคนทั้งลูกชายลูกสาวออกบวชหมด ทำให้ไม่ทาให้แม่ช้ำ อ, อกช้ำใจก็อยู่ไม่ได้ก็ธรรมดากับแม่ก็ต้องดุด่าว่ากาวแต่ถึงแม่ดุด่าว่ากาวยังไงท่านเป็นลูกท่านก็ก้มหน้าฟังฮ่ า, าฟังจะแม่จะด่ายัางว่าได้ก็เอาว่าไปสรุปแล้วก็คือแม่ของท่านเป็นเด็กท่านเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเหมือนเป็นผู้ใหญ่ ถ้าพิจักคิดเป็นเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะพระหันเนี่ยคือแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ละเต็มที่ละมีสติสมบูรณ์ปุตชรเนี่ยยังเป็นเด็กถึงจะตัวเองจะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็เถอะยังเป็นเด็กยังเป็นเบบี้อยู่ยังอยู่ในกรอบของกิเลสราคะโทสะโมหะยังควบคุมหัวใจอยู่แต่พระหานในท่านตัด กิเลสราคะโทสะโมหสะสกัดออกหมดแล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เป็นผู้มีสติสมบูรณ์มีปัญญาบริบูรณ์อันนี้ก็คือพระหันแต่นอกจากนั้นลงมาเนะี่ยผู้ตุชนเนฮะยังเป็นเบบี้อยู่พราะอะไรพออยู่ในกรอบของกิเลสครอบงำํำเพราะฉะนั้นท่านเป็นพระหันท่านก็มองมองดูแม่ของท่านเอถึงถึงจะ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 มีเงินทั้ง80โกดหรือมากมายมาหาสารกิจการมากมายลูกหนีหมดแต่ภาษาไรบุตรท่างก็มองเอออันนี้มันโลกิยะมันไม่ใช่โลกุตระโลกุตระทรัพย์นี่อีกอย่างนึงโลกิยะทรัพย์มันเอาไปด้วยไม่ได้หรอกตายแล้วก็แบมือขนาดเทน้ําใส่ฝามือมันก็นยังไถไหลลงดินเท่านั้นแหละเออจะไปใส่จิตใส่ใจอะไรมากมายนักเนาะ อันนี้ผู้ใหญ่ฮนะผู้ใหญ่คิดนะแต่เด็กน้อยเนะโอ่ยไม่ได้ขนมมันจะหายขนมมันจะหกขนมมันจะเฮ้ยเรี่ยล่ร้องหมร้องให้เสียดายขนมฮะแต่ผู้ใหญ่เอ้ยของที่จะซื้อขนมอได้อกมียายมากกว่านี้นี่แหละอันนี้แหละคือพระสารีบุตรพระเทเรกับน้องๆทั้งหลายได้สำเร็จเป็นพระหันมดพระทับ พอมันละบุตรและก็ น, น้องสาวอีกพระเลวตาเนี่ยน้องภาษาลิบุตรทั้งหมดสำเร็จเป็นพระหันเนี่ยานขันคิด ถ, ถึงแม่ของท่านยังหัวอยู่ในสมบัติท่านก็ได้มีน้ำใจถึงแม่จะดุดาว่ากาวอย่างไงท่านก็ใจดีเงียบฟังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าว่าพวกเราเป็นลูกๆ ก, ก็เหมือนกัน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 เขารู้จักว่าคนอื่นเขาโง่อยู่แล้วนะเราจะเป็โง่กับเขาอีกทําไมล่ะตัวเองฉลาดอยู่แล้วนะ่ะเขาต้องทําตนทําใจของเรานะฟังนะเหมือนกับภาษาริบุตรนเะอภาษาลิบุตรกับแม่ของท่านนะ่ะอแต่แม่ของภาษาริบุตนะรเนี่ยก็ในตําราก็มีอีกนะลูกหลานพระพุทธเจ้าท่านปารุเหมือนกันนะครั้งหนึ่งออพระแม่ภาษาริบุตร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 มาฉันในประลำประลมพิธีใหญ่ที่เขาจัดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นประมกุกเป็นประธานทั้งที่แม่ของภาษาลิบุตรเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นประธานสงฆ์ทั้งที่จะเคารพหนอบน้อมเข้ามากราบไหว เ, ออเพราะแขกผู้ใหญ่เข้ามาในในบ้านในมาในในบ้านของตคนของตนเอง เวลาอะถวายอาหารก็ต้องถวายพระพุทธเจ้าซะก่อนจึงถวายภาษาพวกองค์อื่นอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพวกเราที่เขินแขกผู้ใหญ่เข้ามาในบ้านใช่ไหม อ, อย่างเจ้าฟ้าเจ้าคุณมาหาหลวงพ่อเนเหมือนกันพอนั่งขึ้นมาแล้วก็เอ้าเขารบท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วยังค่อยว่าองค์อื่นต่อไปแต่นีนแม่ภาษาลบุตรไม่เป็นอย่างนั้น พอเห็นพระพุทธเจ้าเชอเฉยไอ้ใครมาอยู่ในสายตามีอยู่นะแปลกในศรัทธายาโสมถ้าคอยฟังหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเป็นยังไงเห็นเฉยเป็นอะถวายอาหารพอถวายอาหารก็ถวายไม่ถวายพระพุทธเจ้าถวายองค์อื่นต่อไปอถวายองค์อื่นต่อไปถาว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในสายตาเลยงั้นะ พระสงฆ์ทางหลายเห็นก็แปลกใจเอแม่อัครสาวกเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้วะนะพระสงฆ์ทางหลายนะเอแต่ก็ไม่พูดอย่างพูดไม่ได้เพราะอยู่ในเหตุการณ์เลยแม่พระสาระบุกรถามุนาม้นถามไปเอ๊แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายไม่ได้อังคลา ด, ด้วยอาหารอยากับแม่กับพระพุทธเจ้าตั้งที่มาในบ้านของตัวเอง ท่า น, นี้พระสงฆ์ฉันจังพระพุทธองค์ก็อนุโมทนาให้พร อ, อะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับวัดกลับวัดเวลุวันะพออยู่ในกรุงราชสักขีใช่พอกลับไปพระสงฆ์ก็ น, นั่งสนทนากันในโรงธรรมอะรอย่างโรงศาลาอะไร น, นั่งกันเอ๊ะพวกเราในสังเกตไหมวะวันนี้เอพระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์พวกเรากันนะทั้งที่แม่แม่พระอัครสาวก ทั้งที่ท่านจะถวายอาหารพระพุทธเจ้าแต่ท่านบงนนพวกเราเห็นไหมพระสงฆ์เห็นทําไมแปลกทําไมไม่ถวายพระพุทธเจ้าถวายองค์อื่นแต่นีนพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสด็จมาพวกเธอถัดสนทนากันพูดคุยกันเรื่องอะไรพะพุทธเจ้าทำพระสงฆ์ก็เลยกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าวันนี้พวกข้าพระองค์เห็น แม่ท่านพระอา克拉สาวกหนึ่งแปลกทั้งที่เป็นเจ้าของบ้านพระพุทธองค์กับเป็นผู้ใหญ่เป็นประธาน ท, ทั้งที่จะถวายปัะาหานถวายสิ่งของกับพระพุทธองค์แต่กลับไปถวายองค์อื่นเหมือนกับไม่แยแสไม่รู้ไม่เห็นลักษณะอย่างนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็เลยแปลกใจก็เลยมาสนทนามาพูดกันในหลักพระเจ้าค่าะพระธองค์บอกเอออย่าไปแปลกใจ จะไปแปลกใจเพราะว่ากรรมแน่มีกรรมด้วยนะท่นีพระองค์อ้างถึงกรรมกรรมในอดีตท่านพระพุทธองค์ว่าพระสวงฆ์วับมีอะไรหนอพระเจ้าขา่าเนี่ยกรรมในอดีตที่พระพุทธองค์จิงนางพมานดาของพระท่านพระอัครสาวกจิงได้ทำอย่างนี้พระเจ้ขาข่สาสมัยหนึ่ง เ, เราเป็น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 ในชาตินั้นเราเป็นหนุ่มโสดเวลาเราไปที่ไหนก็มีหมาตัวหนึ่งหมาตัวเมียหมาตัวเมียมาทางไหนก็เป็นรูป ม, มาอยู่ในบ้านไปที่ไหนหมาตัวนั่นก็ไปด้วยไปที่ไหนหมาตัวนั้นก็ไปด้วยไอคนทั้งหลาย ก, ก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่มีเมียมันเอาหมาเป็นเมียลเลยก็เลยโม โ, โหให้หมาเ อ, อจะไล่มันมันก็วิ่งหนีซะพอเนาะก็มองหน้าก็ตามหลังอีก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 ดังนันไม่ให้หมานะเอาอาหารใส่ในถุงเสร็จเร็วแล้วก็แขวนแขวนไว้เนยแขวนไว้ในต้นไม้ไม่ให้หมากินหมาตัวเมียตอนนั้นมันกันมองอยู่ในถุงข้าวนะแม่น้ำไหลไหลยอย่างมันอยา ก, ม, ยากมันอยากอาหารนะแต่เด็กก็มาได้สนใจละมึงจะมากับกูมึงจะให้มันหนีไปห่างหนะ่างมึงจะมากับกูทําไมฟะกูไม่อยากจะให้มึงมาเอหมาแต่นนนก็เลย มันก็ยังไปตามทุกวันอยู่เออเพราะมันรักเจ้าของฮนะนั่นแหละกรรมตัว น, นั้นละ่ะกรรมที่เราทํากลับหมาเนี่ยอมาพบในชาตินี้กันเนี่ะหมาตอนนั้นก็คือแม่ของสารีบุตรนี่แหละเราก็เป็นชายหนุ่มคนนั้นหละเนี่ยแหละมันกรรมติดพบติดชาตินะพวกท่านทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นกรรมที่มันไม่ดีอย่าไปทําให้คนอื่นเขา แต่เมื่อทำขกไปแล้วนะี่กรรมตอน้มันจะตามสนองมาหาเรานะนะเพราะนั้นแม่ของสารีบุตเห็นเราเนะ่ยไม่อยู่ในสายตาเลยไม่อยู่ในสายตาคลายๆว่อไม่ไม่ไมอื้อเฟืออืออรีเพราะงั้นเถอะเพราะว่าเราทำกับเขามาก่อนทำกับหมาทั้งที่อาหารมันเหลือก็นน่าจะให้โยนให้มันกิน มันก็กลัวมันเบื่อมันเหรอเบื่อหมาไปเออมันทําไมติดตามเราอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะให้มันมาตามแต่มันก็มันก็อดไม่ได้มันก็ตามทุกครั้งไอ้ผมเนี่ยช่วยกันห่อยนะไม่ให้อาหารมันบางทีอาหารเหลือใส่ถุงอะไรกัไปแขวนไปต้นไม้หมาท่านนี้ก็เธอมองมองถุงอาหารเอแสดงว่าข้าอยากอาหารเน่าข้าหิวอาหารเน่า จนน้ำลายไหลมันหิวแต่เจ้าของไอ้หนุ่มใหญ่นี่แต่เฉยไม่ได้สนใจนี่แหละบาปกรรมตัณฑ์ตามตามมาเพราะนั้นแม่อคราศาวกมาเห็นเราจึงไม่ได้ไม่ได้แยแสไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความเอื้อเฟื้อกับเรานี่แหละอันนี้ก็คือกรรมนะเนี่ยมาในที่ท่านพูดเป็นอดีตกรรม พระพุทธเจ้าก็แม่ของพระอั克าสาวกท่านสาริบุตรอนี้พวกเราคณะจัตธาญาติโยมฟังเอาไว้เพราะหลักพุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำทำสิ่งไหนที่ไม่ดีกับคนอื่นไว้กรรมนั้นจะตามสนองถ้าทำกรรมใ ด, ำดทำกรรมดีเอาไว้กรรมนั้นก็จะตามสนองเช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านจึงให้ทาแต่กรรมดี